เหตุจากความเกียจคร้านของตนได้ทําลายการเดินทางของพวกเธอมาแล้วพวกภิกษุนั้นกราบทูลอาราธนาพระศาสดาจึงทรงนําเรื่องนั้นมาตัดเล่าเมื่อกีก้ยังไม่ใช่ชาดกนะเมื่อกีก้เป็นเนื้อเนื้อหาจริงเนื้อเรื่องจริงคือต้นเรื่องที่มาของชาดกแต่เนี้ยพระพุทธเจ้าก็ยังจะกําลังจะตรัสเล่าชาดกว่าเนี่ยภิกษุรูปเนี้ย เคยทำให้พวกเธอเนี่ยเดินทางไปไม่ได้เนี่ยแต่ก่อนก็เคยเคยทำมาแล้วนะในแคว้นคันทาระมีอาจารย์ที่สาปาโมกคนหนึ่งคำว่าอาจารย์ทิสาปาโมกหมายถึงไม่ใช่ชื่อนะไม่ใช่ไม่ใช่ว่าชื่ออาจารย์ชื่อว่าทิสาปาโมกทิสาปาโ ม, มกเนี่ยหมายถึงอาจารย์ที่มีชื่อเสียงเขาเรียกว่าทิสาปาโมก สั่งสอนศิละปะวิทยาแก่มานบห้าร้อยคนอยู่ในเมืองตากศิลาแต่มีลูกศิษย์อยู่คนหนึ่งเป็นมานบที่เกลียดคร้านมากคาว่ามานบในที่นี้ไม่ได้ไม่ได้เป็นชื่อคนมานบในที่นี้หมายถึงหมายถึงชายหนุ่มที่เขามักจะเรียกชายหนุ่มที่เกิดในตระกูลพรามเขาถึงจะเรียกว่าพวกมานบนะโดยส่วนใหญ่นะ เนี่ยมีอยู่มีอยู่ชายหนุ่มคนหนึ่งอะ่ะปรากฏว่านิสัยเกียดค้านมากวันหนึ่งพวกมานพพากันไปป่าเพื่อหาฟืนทุกๆคนช่วยกันหาฟืนมารวบรวมไว้จะมีก็แต่มานพเกียดคร้านนั้นคิดว่าเรานอนเสียสักครู่ก่อนก็ได้แล้วค่อยหาฟืนทีหลังนะนี่นี่คือนิสัยของคนขี้เกียจบางทีเขาทำอะไรกันเนี่ยอาแลนะอู้มั่งเบี้ยวมั่ง อะไรอ่ะแอบไปนอนบั่งเนี่ยแอบไปพักบ้างนะให้คนอื่นเขาทำไปก่อนเนี่ ย, ย, ยคือ น, นิสัยคนเกียจคร้านตอนนี้ก็เอาล่นะพอคิดอย่างนี้พอดีเหลือเห็นต้นกลุ่มใหญ่อยู่ตรงหน้าจึงปูราดผ้าแล้วล้มตัวลงนอนหลับสนิทไปนะไปปูผ้าไว้ใต้ต้นกลุ่มเนี่ยแล้วก็นอนหลับสนิทไปเลย กระทั่งมานพอื่นๆหาฟืนกันมัดเสร็จเรียบร้อยเตรียมจะแบกกลับจึงมาปลุกมานพเกียรติค้านให้ตื่นแล้วพวกตนก็พากันกลับไปคือพูดง่ายๆว่าพวกมานพคนอื่นๆนี่เขาเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่ฟืนเฟืนเขาเอามามัดเขาเอามารวมเสร็จเตรียมแบกกลับกันแล้วเขาหากันเรียบร้อยหาฟืนนี่บางทีก็ต้องยังไงก็ไปเก็บไอ้กิ่งไม้แห้งที่มันหักใช่ไหมที่มันหล่น หรือบางทีก็ต้นที่มันตายก็ไปหักมาลงมาแล้วก็เอามารวบรวมไว้เพราะสมัยก่อนเขาไม่มีแก๊สนะเพราะฉะนั้นก็ต้องหาฟืนเอาอย่างนี้แหละนี่คนอื่นเสร็จเขาก็ไปปลูกอเห็นนี่นอนอยู่กับปลุกแล้วพวกเขากลับกันหมดแหละส่วนมานพเกียดคร้านลุกขึ้นขยี้ตาพอหายง่วงแล้วก็รีบปีนขึ้นต้นกลุ่มนั่นเองด้วยคิดว่าต้นไม้มีกิ่งแห้ง คือคือคือเห็นต้นกลุ่มนี่มันดูแห้งๆนะก็เลยคิดว่าจะไปหักกิ่งของกลุ่มของไม้กลุ่มเนี่ยแหละปรากฏว่ารีบเหนียวกิ่งเพื่อหักเป็นฟืนแต่กิ่งไม้ยังสดคือมันไม่ยัยแห้งอย่างที่เจ้าหมอนี่คิด่นะมันยังสดอยู่ท่างหากแหละไอ้นี่ง่วงอนะตื่นขึ้นมาก็คิดว่าต้นไม้แห้งก็เอาเลยรีบผักใหญ่แต่กิ่งไม้ยังสดดีกลับมาอย่างแรง เอาละสี่านนี้สะบัดถูกดวงตาข้างหนึ่งอย่างเต็มที่ถึงกับตาแตกต้องเจ็บปวดมากเขารีบเอามือข้างหนึ่งปิดตาเอาไว้นะตาแตกแสดงว่าต้องเลือดไหลแหละนะถ้าถึงขั้นตาแตกเนี่ยเอามือมือข้างหนึ่งปิดตาไว้มืออีกข้างรีบหักฟืนจากต้นกลุ่มคือก็ยังนึกว่าไอ้ต้นกลุ่มนี่มันแห้งอีกอยู่ดีอ่ะก็ยังคงพยายามหักอีก นะหักลงมาพยายามหักลงมาแล้วก็เอามามัดเป็นฟืนแบกกลับไปโดยเร็วก็ต้องตามเพื่อให้ทันนะสิใช่ไหมเขาไปกันแล้วอะ่ะเพราะงั้นก็ข่าวนี้มือข้างนึงปิดตาไว้อีกข้างหนึ่งก็รีบหักรีบหักเอามามัดแล้วก็แบกกลับนะพอกลับไปถึงก็โยนฟืนทิ้งเอาไว้บนกองฟืนคนอื่นเขาก็เรียบร้อยแล้วนี่เพราะเจ้านี่มาถึงก็เอาฟืนมา ก็ทับของคนอื่นมาไว้ข้างบนเน่ขอของของตัวเองมาทีหลังสุดในวันนั้นเองมีครอบครัวตระกูลหนึ่งในชนบทได้มานิมนต์อาจารย์ไว้ว่าพรุ่งนี้พวกกับผมจะทำบุญที่บ้านท่านอาจารย์กรุณาส่งลูกศิษย์ไปช่วยทำพิธีให้ด้วยเถิดอาจารย์ก็รับคำแล้วกําชับกับพวกมานบที่จะมาะที่จะให้ไปกิจนิมนต์นี้ว่า พรุ่งนี้พวกเจ้าต้องไปถึงหมู่บ้านนั้นให้ทันเวลาเพราะหนทางไกลฉะนั้นพวกเจ้าต้องให้คนช่วยต้มข้าวแต่เช้ามืดแล้วกินอาหารรองท้องกันก่อนไม่อย่างนั้นจะไม่มีเรี่ยวแรงไปถึงทันเวลาได้และเมื่อเสร็จพิธีแล้วจงรีบพากันกลับมาเถิดนะเขาอานิโมนให้ไปแต่แตอนนี้ที่มันไกลอาจารย์ก็เลยบอกว่าอา้าวกินอาหารรองท้องไปก่อนนะ ให้ให้คนมาหุงตั้งแต่เช้าแล้วกันกินรองท้องไปจะได้มีแรงแล้วก็เดินทางไปแต่เช้ามืดจะได้ไปถึงหมู่บ้านนั้นได้ทันทันเวลาที่เขาจะประกอบพิธีพอถึงเช้ามืดนั้นพวกมานบก็ปลุกนางทาสีปลุกนางทาสีไม่ใช่ชื่อทาสีนะทาสีไม่ถึงหมยถึงสมัยก่อนก็มีธาสอย่างเงี้ยนะ ธาตผู้หญิงอย่างเงี้ยเขาเรียกนางทาสีถ้าเป็นเดี๋ยวนี้เราไม่มีทาตแล้วเราก็เรียกว่าฮะเออเราก็เรียกว่าผู้หญิงหญิงรับใช้ยอย่างเงี้ยอาก็บางกวดว่าเนี่ยก็ปลูกนางทาสีให้ให้อะไรอ่ะให้ลุกขึ้นมาต้มข้าวนางทาสีก็ไปหอบเอาฟืนไม้กลุ่มสดที่อยู่ข้างบนกองฟืนมาก่อไฟเ <laughs> ช้ามืดเลยนี่เพราะมื ด, <laughs> ม, ดมืดอยู่เลยนะ แม้จุดไฟและใช้ปากเป่าลมอย่างไรก็ไม่อาจทําให้ไฟลุกติดขึ้นมาได้เสียเวลาไปจนกระทั่งท้องฟ้าเริ่มสว่างแล้วบรรดามาณพทั้งหลายเห็นว่าเวลาสายมากไม่อาจไปทันเวลาได้จึงพากันไปหาอาจารย์เมื่ออาจารย์เห็นพวกเขายังอยู่ก็ทักขึ้นทันทีว่าอา้าวพวกเจ้ายังไม่ได้พากันไปดอกลือ ครับท่านอาจารย์พวกผมไม่ได้ไปแล้วเพราะเหตุใดกันเล่าเรามานบจึงเล่าเรื่องทั้งหมดให้อาจารย์ฟังนกักเราเหตุการ์ให้ฟังมันอย่างเงี้ย น, ย น, ย น, ยนยางทาสีก็มาหุงข้าวแล้วก็จุดไฟไม่ติดแล้วก็เพราะว่าฟืนมันสดอะ่ะใช่ไหมมันสดเพราะอะไรเอ้าก็บอกเงียเพราะว่าเจ้าหมอนั่น <laughs> หักปืนสดมาแล้วมานไปข้างบนก็เล่าเรื่องราทั้งหมดใช่ไหมพอเล่าเสร็จปั๊บ อาจารย์ฟังเสร็จสาเหตุก็เพราะอาตอนนี้เล่าสาเหตุสาเหตุก็เพราะมานพเกียรติครั้นนั้นในเวลาหาฟืนก็ไปนอนเสียที่โคนไม้กลุ่มพอโดนปลุกให้ตื่นก็รีบร้อนหัดฟืนสดกิงไม้สะบัดถูกตาแตกจึงเร่งกลับมาโยนฟืนสดทิ้งไว้ข้างบนกองฟืนคนต้มข้าวก็ไปเอาฟืนสดมาก่อไฟทำอย่างไรไฟก็ไม่ลุกสายมากแล้วพวกผมไปไม่ทันแน่นอน จึงมากราบเรียนท่านอาจารย์ให้ทราบอาจารย์ฟังความผิดพลาดของเรามานพแล้วจึงตำหนิมานพที่เกียดครานนั้นว่ากิจที่ควรทำก่อนผู้ใดเอาไปกระทำภายหลังผู้นั้นย่อมได้รับความเดือดร้อนตามมาเหมือนมานพหักไม้กลุ่มฉะนั้นนั่นก็สอนไปบอกเนี่ยเอกเวลาเขาหาฟืนก็ไม่ไปหากับเขาแน่ คืนอนเนี่ยมันควรจะทีหลังมันควรจะทำเสร็จก่อนก็ได้ถ้าจะมานอนใช่ไหมถึงบอกว่าอะไรที่ควรทําก่อนกลับเอาไปทําทีหลังอะไรควรทําทีหลังกลับเอาไปทาก่อนอย่างเงี้ยถ้าใครไม่รู้ไม่รู้จากขั้นตอนอันเนี้ยทางานแล้วบางทีมันล้มเหลวหรือว่างานนั้นจะไม่สาเร็จหรือไม่เพียงแต่ไม่สาเร็จเท่านั้นนะความเดือดร้อนก็จะตามมาด้วยตอนก่นี้ตอนนี้ อาจารย์สอนและสอนลูกศิษย์นั่นพอสอนลูกศิษย์อย่างนี้เสร็จชาดกนั้นเนี่ยก็จบพระาศาสดาตรัสชาดกนี้จบแล้วทรงเฉลยว่ามานพเกียรติครานที่ตาแตกในครั้งนั้นได้มาเป็นมานพเกียรติค้านที่กระดูกขาแตกเอาได้เป็นภิกษุสินะภิกษุที่เกียดค้านที่กระดูกขาแตกในบัดนี้ส่วนมานพที่เหลือได้มาเป็นพุทธบริษัทในบัดนี้ แล้วอาจารย์ที่สาปาโมกได้มาเป็นเราตถาคตนี่เองนาชาดกเรื่องนี้จริงๆแล้วเน้นในเรื่องของอะไระความเกียดค้านที่ทำให้เนี่ยเลยไม่รู้ว่าอะไรควรควรที่จะทำก่อนอะไรควรที่จะทำทีหลังอาตมาเคยเอาคำตัดของพระพุทธเจ้าที่ท่านตัดเรื่องของความเกียดค้านเนี่ย อาจาท่านตัดโทษของการเกียดค้านเอาไว้ว่าอย่างงี้เราลองฟังดูนะว่าโทษของการเกียดคร้ันคือหนึ่งมักอ้างว่าหนาวนักแล้วไม่ทํางาน 2. มักอ้างว่าร้อนนักแล้วไม่ทํางาน 3. มักอ้างว่าเวลาเย็นแล้วไม่ทํางาน 4. มักอ้างว่ายังเช้าอยู่แล้วไม่ทํางาน 5. มักอ้างว่าหิวแล้วไม่ทํางาน มักอ้างว่ากระหายก็คือเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยนะเน็ดเหนื่อยอ่าแล้วไม่ทำงานนันที่ท่านตรัสมาเนียหข้อเนียก็เป็นเรื่องคร่าวๆให้เรารู้ว่าคนขี้เกียจเนียมักจะอ้างโนกอ้างนี่อ้างนั่นเพื่อที่จะได้ไม่ต้องทำงาน mm hmm. เมื่อมากด้วยการอ้างเล่ดนะอ้างเล่ดเลต่างๆเนียผัดเพี้ยนการงานอยู่ สมบัติที่ยังไม่เกิดก็ไม่มีวันที่จะเกิดขึ้นสมบัติที่เกิดขึ้นแล้วก็ถึงความหมดสิ้นไปสมบัติภายนอกก็ตามนะใครที่เคยมีทรัพย์สินเงินทองอยู่ถ้าเกียจคร้านเนี่ยไม่ทำงานคำว่าเกียจคร้านหมายถึงว่าทำงานที่ดีที่มีประโยชน์ที่จะทำให้ตัวเองเนี่ยได้ทรัพย์สินเงินทองพูดแบบโลกโลกนะเข้ามาเนี่ยคนที่เกียจคิดค้าน แต่อาจจะขยันไม่ทำอย่างอื่นที่ที่ใช้ไม่ได้เรื่องอ่ะอาจจะไปขยันนอนอาจจะไปขยันเที่ยวเล่นอาจจะไปขยันอะไรอ่ะไปเตดไปอะไรดูมหัรสศพกาลเล่นอะไรต่ออะไรเงี้ยไอ้ขยันอย่างนั้นน่ะแต่ขี้เกียจทำงานที่จะเป็นไรายได้เป็นประโยชน์ให้กับตัวเองถ้าใครเกียจค้านแบบนี้ แล้วนะชอบอ้างเล่เลอะไรต่างๆอยู่เรื่อยนะัคนนั้นเนี่ยสมบัติที่ตัวเองมีอยู่ก็จะหมดไปเรื่อยหมดไปเรื่อยจนในที่สุดไม่เหลืออันนี้พูดแบบสมบัติทางโลกแต่ถ้าเราพูดแบบสมบัติทางธรรมบ้างละ่ะอย่างในเรื่องเนี้เราจะเห็นเลยนะับตั้งแต่ต้นเรื่องภิกษุทั้งหมดจริงๆแล้วสามสิบรูปใช่ไหมอ่ยี่สิบเก้ารูปนั้นปรากฏว่าไม่อ้างเล่เลไม่อ้างอะไรทั้งสิ้นเลย ่ตั้งใจเลยตั้งจิตเลยอธิษฐานจิตขึ้นมาเลยกำหนดจิตของตัวเองว่าเนี่ยจะไปหาที่ที่บำเพ็ญเพียรเพื่อที่จะให้บรรลุธรรมให้ได้ตั้งจิตแล้วก็ลงมือกระทำเพื่อให้เกิดประโยชน์เกิดมรรคผลกับตัวเองไม่ไม่ต้องอ้างอะไรแต่ภิกษุติสะที่เกียรติค้านเนี่ยขี้เกียจก็ปรากฏว่าอ้างแล้วพอเดินทางไปใจหน่อยอ้างเลย เอออ้างอาหารการกินเพราะติดติดเรื่องกินด้วยอ่ะก็อ้างอาหารการกินเพราะนั้นใครติดเรื่องอะไรเนี่ยมักจะอ้างเรื่องนั้นวอนไปสํารวจดูใครติดเรื่องอะไรชอบอ้างเรื่องนั้นเป็นเหตุอยู่เรื่อยเลยเพื่อที่เราจะได้เออไม่ต้องไปทําไม้นั่นไม่ต้องไปทําไม้นี่แล้วเราก็เอาไม้ตายอันเนี้ยไม้ตายจริงๆคือทําให้เราตายอันเนี้ยเราเราก็มาอ้างอยู่เรื่อยแล้วก็ทําให้เราขี้เกียจ ทั้งทั้ง ท, งที่บางทีเนี่ยไอสิ่งที่เราควรจะทำนะ่ะสมมตินะขออภัยมายกตัวอย่างอาตมาก็ยังเป็นอยู่บ้างเลยเนี่ยเป็นอยู่เหมือนกันน่ะบางทีบางคืนเนี่ยไ ม, ไม่ไม่ควรจะต้องนอนดึกก็ได้ <c oughs> หาเรื่องทำให้นันทำให้นี่จนนอนดึกจนได้อะ่ะแล้วก็เลยตื่นสายออาตื่นสายบางทีก็เอาก็ <c oughs> ไม่ได้มาทำวัดเช้าหรือเบอเผลอบางทีนูน่นไม่ได้ไปร่วมบิณฑบาตกับเพื่อนภิกษุละ อย่างเนี้ยยกตัวอย่างตัวเองดีกว่าไม่ต้องมายกคนอื่นเขาแต่อย่างเนี้ยแล้วเราก็จะอ้างอยู่เรื่อยเพราะเราวางังเพราะเราติดอะไรมากที่สุดเราจะอ้างเรื่องนั้นมากที่สุดพเพราะไปสํารวจตัวเองดูให้ดีว่าตอนนี้เราติดอะไรอยู่แล้วเราเอานั้นมาอ้างไหมทําให้บางทีบางครั้งเนี่ยจริงๆเนี่ยให้ลองงดบังกระไดเราเว้นบางกระไดเรื่องเนี้ยใช่ไหมทําให้ อ, อ่อตอนเช้าเราก็ตื่นได้ เรารีบนอนแต่หัวค่ำก็ได้วันนี้ไม่มีเหตุจาเป็นใดๆเลยแต่ไปสำรวจดูสิว่าถ้าคุณเริ่มเคยชินคุณเริ่มเติดเป็นนิสัยนะคุณเอามาอ้างเป็นประจำเลยคราวนี้ได้หรือไม่ได้คุณก็อ้างอันนี้อยู่เรื่อยมันเริ่มชินชามันเริ่มชาชินอ่อนระวังอย่าให้เป็นอย่างนั้นควรมีสติควรรู้ตัวเพรา ะ, ะนั้นถ้าใครอ้างอย่างยี้อยบ่อยคนนั้นจะไม่ได้มากผลยิ่งโดยเฉพาะ อริยทรัพย์อริยทรัพย์เจ็ดจำได้ไหมมีอะไรบ้างอาริยทรัพย์เมื่อกี้นี้พูดถึงสมบัติโลกโลกนะถ้าคุณไม่ขยันคุณไม่ทำงานมาที่คุณมีอยู่ก็จะค่อยๆหมดไปแล้วของใหม่คุณก็ไม่ได้มาด้วยนะแต่นี้พูดเป็นอริยทรัพย์เลยทรัพย์ทางธรรมเนี่ยมีอะไรบ้างใครจำได้บ้างศรัทธาศีลยิริ โอตปภาภูสัจจะจักะปัญญาอุตสาหมีรั์ได้ <c oughs> จำได้อย่างไรน้อยก็มีรับเจ็ดอย่างนี้เป็นอริยรัย์ใช่ไหมคือเป็นทรั์ที่เราควรจะได้วันคุณไปสารวจดูว่าบางทีบางครั้งเนี่ยความขี้เกียจของเราพูดตรงๆเลยคุณจะขี้เกียจ ร, ระดับไหนก็แล้วแต่อาตมาเคยพูดขี้เกียจมีหลายระดับอาตมาเคยแบ่งไว้หระดับ นะขี้เกียจเนี่ยนะแต่วันนี้ไม่พูดถึงวันนี้อยากจะพูดถึงตรงที่เรียกว่าถ้าเรามีความขี้เกียจเนี่ยเราก็จะมาอ้างอ้างเสร็จแล้วมันทำให้อริยทรัพย์ตัวที่หนึ่งคุณศรัทธาคุณจะลดลงคุณไม่รู้ตัวนะแต่ศรัทธาคุณจะลดลงเพราะเมื่อเราเนี่ยสำเร็จตามความพอใจของเราคือเราขี้เกียจเนี่ยแล้วเราก็เอายกขึ้นมาอ้าง และทําให้เราทําได้ตามความพอใจของความขี้เกียจของเราจริงๆเรารู้อยู่กับใจตัวเราเองด้วยคนอื่นอาจจะไม่รู้นะแต่ตัวเรารู้เพราะฉะนั้นศรัท ธ, ธาของคุณที่มีต่อสิ่งที่ดีเนี่ยสิ่งที่คุณควรประพฤติสิ่งที่คุณควรกระทําจะลดลงเนี่ยศรัทธาตัวที่หนึ่งคุณจะเริ่มไม่ได้ละมันจะเริ่มลดลงเสร็จศีลนนะ่ะศีลตัวที่สองคุณก็จะเริ่มลดลงวันศีลที่เคยมีอยู่บางทีเราเคยเข่งคัด เราเคยสำรวมเราเคยระมัดระวังพอมีตัวขี้เกียจอย่างนี้เข้ามาอ้างเข้ามาอ้างเข้ามาอ้างศีลคุณจะเริ่มย่อนยานลงมาทันทีเลยอ่าอา้าวจากศีลละคนนี้อะไรตัวสำคัญละคนนี้ฮีริความระอายถ้าเป็นสภ้ายใหม่มาใหม่ๆมเนี่ยโอ้โหฮีรีนี่มากนะกลัว ค, คนเขาจะติกลัว ค, คนเขาจะว่าอายนะตื่นมาสายยังไม่ทันใครเขา พอนานเข้านานเข้าแก่วัดแม้แต่อาตมาเองก็เหอะมีบางวันก็แก่วัดเหมือนกันอต้องพยายามมีสติแล้วก็เตือนมันเหมือนกันว่าอาาระวังระวังระวังชักจะเอาอีกแล้วนะไอ้กิเลสตัวนี้เนี่ยเพราะถ้าเราแก่วัดตรงนี้ขึ้นมาความละอายเราจะลดลงความละอายต่อต่อบาปต่อความเลวต่อความไม่ดีต่อ ต่อการทำผิดนั้นนะ่ะเราจะลดลงยิ่งตัวที่สี่อะไรโอตปะความกลัวคราวนี้ถ้าคุณยิ่งไม่กลัวนี่นะโอ้โหหนักยิ่งขึ้นแล้วนะคราวนี้เพราะคำว่าไม่กลัวเนี่ยนะบางทีมีคนอะไรอ่ะมาให้กุรทรับเราอ่ะอ่าเขาเอาเอาราับมาให้เรานะเขามาลึกเตือนเรานั่นเอง มาเตือนเราหรือว่ามาตำหนิเรามาบอกกล่าวเราเราไม่กลัว <c oughs> หมูไม่กลัวปังตอแล้วกอนนี <c oughs> ้หมูไม่กลัวเขียงแล้วเพราะฉะนั้นมันดื้อแล้วมันแทบจะดื้อมากขึ้นถ้าละอายนี่คุณยังคุณยังดีน ะ, ะถ้าคุณมีตัวละอายนี่มันอ่อนกว่าไงละอายนี่มันอ่อนกว่ากลัวกลัวนี่หนักกว่ากลัวนี่เข้มกว่าแรงกว่าแต่นี้ถ้าคุณไม่กลัวจะมาพูดในมุมกลับอะ ว่าถ้าคุณไม่กลัวเนี่ยโอ้โหมันด้านนะนะถ้าเกีตมันยิ่งด้านเนี่ยมันยิ่งด้านชานี่คราวนี้นะคุณรู้อยู่กระจายเลยว่าเอ้ยเราไม่ควรทำหรอกแอนเนี่ยแล้วเรารู้ด้วยว่าเราขี้เกียจไม่ต้องใครเตือนเรารู้อยู่กระจว่าเอ้ยอันนี้เราเริ่มขี้เกียจแล้วนะเนี่ยเราชักปล่อยตัวเราให้หย่อนลงเรื่อยๆแล้วนะนะให้เสียผู้เสียคนมากขึ้นแล้วนะเนี่ยคุณรู้กระจายคุณเลย แต่คุณชักเฉยล่ะคุณชักชา้าไม่เป็นไรอ่าอ้างไอโน่อ้างไอนี่อ้างไอนัอ่นเพื่อที่จะเฉยอย่างนี้ได้ต่อไปอย่างนี้แหละชักหนักแล้วนะทรัใ์ในความกลัวในความระอายต่อสิ่งที่ไม่เหมาะไม่ควรที่เราทำคุณชักจะน้อยลงฮอนระวังให้ดีเรื่องของอริยทรัพย์อา้าวพอถึงโอตปะแล้วตัวต่อไปพาหุสั จ, จ พหูสัจจาคือนะการมันศึกษาการาฟังธรรมการอะไรอะ่ะเรียนรู้การสนใจธรรมะอะไรต่างๆของคุณมันจะลดลงพอยิ่งเรามีความที่เกียจที่ค้างเดี๋ยวอ้างไปที่นู่นอ้างไปที่นี่อ้างอะไรเนี่ยคุณสังเกตไหมว่าการฟังธรรมเราจะเริ่มลดลงลดลงลดลงเรื่อยๆเราไม่ขวนขวายเราไม่ขยันเหมือนเดิมเลยเหมือนแต่ก่อน หรือแม้แต่การปฏิบัติของเราเนี่ยเราก็ไม่ค่อยใส่ใจไม่ค่อยจะศึกษาหรือแม้แต่บางคนนะฟังธรรมก็จริงแต่ฟังแล้วก็ทิ้งไปนะขยันมาฟังแต่ฟังแล้วก็ทิ้งไปเดี๋ยวก็ลืมเลือนไปแล้วคือไม่ใส่ใจศึกษาจริงๆเอาไปทบทวนเอาไปพิจารณาอะไรต่างๆอย่า ง, า ง, างนเงี้ยคนนี้ก็เริ่มเสื่อมพาหุสัจจะลงมาอ่าจากพาหุสัจจะแล้วก็เป็นอะไรจาค ครานการเสียสละของเราก็จะลดลงเพราะยิ่งเราขี้เกียจขี้ค้านนี่ความเห็นแก่ตัวของเราจะยิ่งเพิ่มมากขึ้นเราะั้นไปสังเกตดูเลยนะถ้าใครเป็นลักษณะอย่างที่อาตมาบอกไล่มาเรื่อยไล่มาเรื่อยเนะี่ยจนมาถึงตรงเนี้ยคุณจะเห็นเลยว่าการเสียสละเราจะน้อยลงตอนใหม่ๆที่เรามีศรัทธาแรงๆตั้งแต่ใหม่ๆบางทีหางรุ่มหามคำโอ้โ oh, หทคุณเนย นะอตาหลับขับตานอนอขวนขวายมีอะไรให้ช่วยที่ไหนเนี่ยมาถึงทางธรรมะเนี่นะพร้อมยินดีที่จะช่วยเดี๋ยวนี้บางทีโอ้ยนี่มันจะสามทุ่มแล้วไว้ก่อนเนะไว้พรุ่งนี้ก็แล้วกันคือมันจะเลื่อนมันจะอะไรไปเรื่อยๆทั้งๆที่บางทีเนี่ยจากสถานการณ์เราก็รู้ว่าเอ้เราควรจะช่วยอะเราควรจะทําแต่เห็นไหมว่าใจเราเนี่ยมันเสื่อมลงมา โดยเฉพาะการเสียสละของเรามันจะลดลงมันจะไม่ค่อยยอมเสียสละเข้มแข็งหรือว่าหนักแน่นเหมือนเดิมการเสียสละมันจะอ่อนตัวลงมาฮอนถึงบอกเนี่ยถ้าใครไม่เข้าใจตรงนี้นะมันจะยออนลงมาเรื่อยอริยทรัพย์คุณที่แม้แต่เคยมีอยู่เนี่ยก็จะลดลงจนถึงตัวสุดท้ายคือปัญญาปัญญาเสื่อมแน่นอนปัญญาอ่อน ปัญญาจะอ่อนลงปัญญาจะไม่เข้มแข็งเท่าเดิมแล้วจริงๆเพราะปัญญามันเริ่มเฉโกมากขึ้นนั่นเองที่อ้างเล่ดเลี่ยอยู่ได้น่ะปัญญาเฉโกทั้งนั้นแหละใช่ไหมไปเอาไาอ้อไนอีนะน่มาอ้างเอาไอ้นี่มาอ้างฉลาดนะโหหายตรงมาอ้างหายนี่มาอ้างบางทีเนี่ยตัวเย็นๆหน่อยไอ้ตัวอุ่นๆหน่อยยังไม่จะเป็นไข้อะไรเลยนะนยพอเอ้ยบางทีตัวชักร้อนๆแล้วนะ โอ้ยเดี๋ยวอทําไปเดี๋ยวมันจะหนักกว่านี้นะเพราะฉะนั้นไปนอนพักก่อนดีกว่าเออ้างเลยทั้งทั้ที่พูดเจ้าไม่ยกย่องเลยไม่สรรเสริญเลยแบบนี้พระเจ้าท่านภิกษุเนี่ยบางทีแม้เจ็บบ้างแม่ป่วยบ้างแม่อาาพาดบ้างนะแต่ว่าท่านสํารวจแล้วเนี่ยท่านทําได้ท่านยังสามารถที่จะอดทนอยู่ได้แล้วท่านทํำนี่โอ้โหพระเจ้าสารรเสริญเลย วันนี้ไม่มีความเกียจค้านมีความขวนขวายมีใจที่จะบําเพ็ญเพื่อให้ได้มากผลเพราะนี่คือปัญญาที่เข้าสู่โลกุตระเพราะถ้าใครเข้าใจอย่างนี้ได้อาริยทรัพย์ทั้งเจเนี่ยก็จะพอก เ, เพิ่มพูนขึ้นจะไม่ลดลงเลยแล้วก็จะไม่ไม่อ้างเล่ยไม่อ้างความเกียจค้านะอะไรต่างเนี่ย เพื่อที่จะให้เราเสื่อมจากอาริยทรัพท์เพราะวันนี้นะฝากเรื่องนี้ให้กับพวกเราเนสอนพวกเราไปเนี่ยก็เหมือนสอนตัวอาตมาเองพ่อมีเนี่ยบางข้อบางอย่างอาตมาก็สารภาพตรงๆก็ยังมีความขี้เกียจก็บอกตรงๆอ่ะนะแต่ต้องให้รู้นะขี้เกียจของใครของคนนั้นนะขี้เกียจแบบสีหาก็ก็มีระดับสีหานะ ขี้เกียจแบบศีลแปดมันมีระดับแบบศีลแปดนะคุณเคยจะยิ้มพ่อท่านบอกว่าอาตมาก็ยังขี้เกียจอยู่บ้างเลยคุณเคยจะยิ้มมั้งเคยใช่ไหมแต่ น, นั่นน่ะขี้เกียจแบบโพธิสัตว์นะคุณอย่ามาวัดเอามาเท่ากับคุณนะมันคนละระดับกันนะมันคนละเรื่องกันเลยขี้เกียจอย่างอาตมา ก, ก็ฐานอย่างของอาตมาอวันหลังมีโอกาสจะมาพูดเรื่องความขี้เกียจขยายให้มัน ละเอียดกันนี้โอ้ความขี้เกียดเนี่มันลึกซึ้งมากเพราะฉะนั้นตอนเนี้ใครตรวจศีลห้าเนี่ยที่เราเอาความเกลียดข้านอยู่ในอบัยมุขหก 6, นี่นะอยู่ในฐานของศีลห้าต้องเข้าใจว่าอันนั้นตรวจความขี้เกียดแบบฐานศีลห้าเท่านั้นไม่ใช่ตรวจขี้เกียดแบบชนิดอะไรอะบางทีขี้เกียดแบบระดับศีลแปดศีลสิบศีลพระไปนู่นคุณพอคุณมาตรวจสมุด ต, ตรวจศีลคุณนะ่ะ ว่โอยยังรู้สึกขี้เกียจอยู่เลยอย่างนี้คุณไม่มีวันนะได้ไอ้อะไรนะได้เต็มอ่ะของของไอ้สูุดที่คุณตรวจนะเพราะแสดงว่าคนนี้ตรวจศีลดยไม่รู้ระดับไม่รู้ระดับว่าตัวเองเนี่ยตรวจศีนขนาดไหนของตนเพราะจะต้องไปรู้เหมือนกันว่าความเกียดค้านมันมีไม่เท่ากันมันมีระดับของมันราะก็ต้องรู้ความเกียดค้านระดับศีลห้าเป็นยังไงความเกียดค้านระดับศีนแปเป็นยังไงความเกียดค้านระดับ ศีล ส, สิบเป็นยังไงความเกียรติค้าระดับของพระนี่เป็นยังไงนะจะต้องไปทำความเข้าใจให้ได้ถ้าเข้าใจได้แล้วคุณถึงจะเวลาตรวจศีลของตนคุณจึงจะไม่ตรวจผิดฐานะจะรู้ว่าฐานะตัวเองเป็นยังไงอ่ะวันนี้ก็คงนะได้เวลาพอสมควรแล้ว